ดอกกูมุดคือดอกบัวสายสีขาวดับขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าดับสลายไปดาวฤกษ์ดาวประจำเดือนที่พระจันทร์โคจรถึงในเวลาเพนเดือนละหนึ่งกลุ่มเช่นกลุ่มดาวชื่อมิคาศิระเป็นต้น เดือนกัตติกาเดือนอันมีพระจันเพนสวยเริ่กกติกาโดยทั่วไปหมายเอาเดือนสิบสองพระบาลีสิกขาบทนี้หมายเอาเดือนสิบเอ็ดเดือนท้ายฤดูฝนแรมข้ามหนึ่งเดือนสิบสองถึงวันเพนเดือนสิบสองแดก คือแกล้งพูดยกยอดิ้วเรื่องที่ดีกระทบถึงชาติเป็นต้นเพื่อให้โกรธ